ถ้าเป็นเล่าเลยว่าไม่ใช่ชีวิตเป็นสุกเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตเลยเป็นผู้ร่อนเป็นผู้หนาเป็นผู้หิวเป็นผู้อิ่มไม่ใช่ชีวิตนั่นเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับเหียุยปัจจัยเป็นทุกข์ยากลาบากต่อเกิดข้านทำการทำงานได้ชีวิตไม่ถูกต้อง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 คนมีทรัพย์เฉียงเงินทองก็สุขแบบมีทรัพย์เฉียงเงินทองทุกแบบมีทรัพย์เฉียงเงินทองก็มีปัญญาสามีก็สุขแบบปัญญาสามีทุกแบบคนมีพัญญาสามีคนมีช่างมีม้ามีวัวมีควายมีอะไรเยอะแยะก็ทุกแบบคนมีสุขแบบคนมีไมันมีอะไรไม่มีทุกอะไรเลย หมายถึงชีวิตจิตใจที่มันเหนือเหนือได้เหนือเสียเหนือดินธาเหนือเ ส, น, เสน่เอิญเหนือโศกหนอทุกข์อนเนี้ยเลยไม่มีเจอเจ็เจ็บตายลักษณะอันนี้มันไม่ใช่ตายแต่เรื่องร่างกายลูกทำ ม, มันตายเรื่องวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดโศกก็ตายในความโศก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 เอาให้จนมีเก่นคคำดา่าทำให้เกิดเกล็ดทำให้เกิดเกลนดในชีวิตได้ไม่ใช่อ่อนแอมีเก่นเหมือนไม้โคกเมื่อที่เกิดจันโคกมักจะมีแก่นมันต่อสู้มันไม่สะดวกในการยูการชินของเขาบุญก็ไม่มี ตินก็ไม่ดีเชนไม้ป่าไม้ดรงก็ไม่โคกคุณภาพต่างกันก็ไม้โคกคุณภาพดีกว่าแข็งแรงกว่าแน่นหนากว่าทำมาทำเสาออกมาทาบ้านแข็งแรงกว่าเช่นไปชื่อไม้ลงมาก็ไม่ใน่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 ไม่เหมือนไม้ในโคตัดเท่าไหล่ก็ขึ้นเท่านั้นมันแข็งในความอ่อนมนแก่นในความอ่อนลากก็ลึกสองสามเมตรมันอยู่ตื่นมาได้มันเอาตัวรอดไม้ในดงอะลากไม่ลึกลากลอยๆไม่มีลากแก้วเพราะมันประมาท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 ฝังไว้ตรงสลาหานะัวใจเรียนราบพระทศกุลหลังตาขุดหลุมสลาให้ชาวบ้านมาปลูกให้ขุดหลุมลงไปไปเจอกระดูกชาวบ้านทิ้งเสียมเนี่ยห <c oughs> ลังตาขุดเดงขุดลงไปเอาก็ะดูขึ้นมาก็ดวกระดกขึ้นมาไป แบบได้ที่ฝังลงแปอันนี้เวลาเขาป่วยโรงพยาบาลอาต า, าไปดูเขาแม่แม่แม่ร้องอยู่ร้องหาแต่แม่แม่แม่ต า, าก็เรียกคุณนายนะใครม่สามีเป็นนายพันนายเ็นนายแต่ไม่ร้องหาแม่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 แต่ทำไมจึงมากงายว่าเรามีทำเป็นมรดกผลเนื้พานเรามิตรภาพแต่ดินเรียบมันหน้ากองใสเสมอภาคชีิตต้องไปถึงจดหมายแปดทางตรงน่จี้จะคุ้มค่านี่ก็สิงหากรผ่านมาแล้วแรลมแปดข้าโต ว, วันโตคืนด้วยมรกผลนื้อานไม่ผ่านชิมลอง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 ทีมลองไปเหมือนเรากินข้าวเขี้ยวคำข้าวทีละคำจะให้อิ่มเลยมันคงอิม่มในระก็ค่อยๆกินไปกินไปเราก็มาอิม่มเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงค่อยสูงขึ้นไปเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เ็ออะไรอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจแนวแล้วไม่อยากเข้าไปเป็นกับมันให้เป็นอิสระ ต, ตรงนี้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 พ่อม่มีผลมีดินมีพืชต่างๆมาช่วยเราแล้ว อ, อย่างที่จตปรสุนทรเราถึงมักถึงขนมองแบบนี้แล้วว่าสิ่งแวดล้อมเหมือนนกสาลิกาหล่อมพัดตกไปอยู่คนอาทิรทางสองตัวตัวหนึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีตัวหนึ่งตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมดี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 ตัวหนึ่งไปตกอยู่ในกลุ่มโจรก็มีแต่ฆ่ามันตีมันยิงมันเอามันเลยฆ่ามันเลยก็าไปฆ่ามันก่อนยิงมันก่อนมาเจอใครต่อเราป้อนเอาของมันแื่งเอาสอนกันแบบมันนกสลีกาสองตัวก็พูดภาษาต่างกันสีธถนตา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 เอาจริงเอาจังอ่อนแดดเึ้มเทียเกินไปมันก็สิ่งแวดล้อมไม่ดีนะจัดสิงแวดล้อมไม่ดีมันอ่อนแดดเข้มแข็งมันหลงมันสุกวันทุกขเข้มแข็งมันจะดกสบายมันจะอ่อนแดดเข้มแข็งร้างสารรคชีวิตของเราเนี่จริงใจชื่อว่ามนุษย์นะเป็นสัตว์ประเสริฐ จึ ui, ่งใดที่ไม่ดีเปลี่ยนให้เป็นดีจิ่งใดเป็นทุกข์เปลี่ยนให้ไม่เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นโศกเปลี่ยนมาให้เป็นสุขจึงใดพอใจเปลี่ยนมาให้พอใจไม่พอใจเปลี่ยนให้ไม่พอใจสวนถวนกระแสสูงขึ้นใจสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปแล้วก็ย่อมมองอะไรเห็นเหมือน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 ชอบที่สุดคือแสงแดดอามแดดตอนเช้าแสงเดนม า, อาเออตากแดดนอนเล่าลงไปบนพื้นบนปูนมีไอ้ไอ้ปูนมันตากแดดมันร่อนขึ้นมาโอ้โหค่อยๆเข้มแข็งนะนงเข้มแข็งพราะแสงแดดเป็นตน้นไม้ต้องมีแสงแดดอะไรต้องมีบรรยากาศไม่ใช่อยู่ในรน่มดเงาจอบเวลาทุกบ้างก็ดีอนะ่ะ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 ไปเที่งกว้างถ้าไม่มีที่เที่งมาเที่งวัดป่าจุกโตก็ได้กาโนดการลังทาการต้มทำถังหลองรับคนอยู่เอามาเที่งไอ้ท่านตุ้ยก็เทศบาลจุกโตกเก็บขยะอาสาสมัครมีไหมมาสมัครคัดเลือกขยะกระดาษเอาไว้หนังโลงหะเอาไว้นหนังจะเลือกไปขาย ที่นี่ขายขยะแล้วอ้าวก็เส จ, จบสมขวรเจวลา